พุทธิภิษุศาสตรก็เกินเกินกลัวหอยนะไม่ไม่ไม่เหนืออกอันเดียวกรับถ้าเรานอกมาเมตตาที่พระพุทธเจ้านั้นมาบอกมาอย่างนั้นมันก็เป็นพุทโธอยู่ในตัวเนี่ยมันก็เป็นพุทโธอยู่ในตัวเมตตานีนพระพุทธเจ้านั่นเองมาบอกพระธรรมเจ้ามาเองมาบอกพระอริยสงฆ์เจ้าเหมือนกันมันก็ทํำใจระบาดระบาดมันก็ขึ้นอยู่กับพระพุทธธรรมประสงค์หมพระพุทธธรรมประสงค์มาสอนน่ะแล้วก็ ขยายออกเป็นพุท ธ, ธาธรรมาสังคาศีลานุสติอยู่ในตัวเหมือนกันทำแต่ละวันละบาดขยายออกไปกบกอบแกรมึงเดียวเขาสามาังได้มันขึ้นอยู่กับบรรดาของเราครับแล้วรู้สูตรลูกชายที่ลูกชายรู้สูตรัตถุศีว่าลูกกลับท่านที่ที่ห้าว่าจ า, ากาาอันยศโนนี่ถูกต้อตงแม่นะถูกก็ส่งให้เซย์ไปสมุทรศีลขมาโสงกับไม้แต่พระสวัสดิบัณเป็นต้นไปนะและว้วก็ไม้สักหมอใจแล้วให้คิดอย่งางนั้นไปให้ใจคิดอยา้ นี่สมมติสง่์เราก็กราบเหมือนกันล่ะเอ้าเมื่อเรากาบยอมกาบพระโสดาวันกับกราบพระอรหันต์ไปแล้วสมมุติสูงมันก็กาบอยู่ในตัวแต่สูงกว่านั่นเขยังกาบไม่เัาที่นี่พวกท่านมาเจ้าดอนมาเจ้าดอนบ่ น้องพูน้องพูหาพูจิงี่วันนี้้อย็นจี่ยนงพูจิงันระดับบสจิ้งบั้งโอ้ฉันฝากพ่มาย่น้องพูจ้ี่เอ้งตาบบ่ นเนาะครับ <Think. mañana. S 1> oh ่น oh ที oh ่้างแล้วสามคนนี่อะรเนขอนนมือดีครับมนี่อโอข้าจได้กับแต่บอดีดอนอยาอยู่ับหลเตัด้อดใส่ทอดสดดูดมากนี่ย คุาพามานะน่ น, นอาดแดีนะแต ท, ทีนี่คดนะ้าเรขึ้นคนฉลาดค่ะ้าอยขึ้นใส่มาไดนะคะนํามานําเศรษฐีใหญ่มากไม่เคยเจอเลยน่ารั ที่ทาที่ไปที่ร้านเสียงที่สหารนะคะเีกาถบอกว่าเมื่อวานที่สนามตินสุโขที่ต่างทระเทศมาด้วและกำังตายไม่ได้ทำได้วยแล้วสอบคานให้มเ็โดดีเลยนะยัอยากรู้อืมจะจบกันจบกนจอ่ะออไปทางว่าเอ็ดหรือตลาทางเลยมูกสา นแกใ จ, จะเลือกเอาคูบอกว่ า, ว า, ท, า, าทางเราเอกใกล้กว่าตรงกว่ขวามันตรงขวาทางเลยงนักขามันโค้งทางเราเอกก็ออกมหาสารคามเลยแล้วก็ออกจากแล้วเอกก็ตรงไปโคราชเลยเช่นไหนมันตรงมาไปเสนนั่นหละออกจากแล้วเอกเช่นไหนตรงไปโคราชก็เอาเส้นนั่นหละ แล้วขั้วก็แผ่แม่ตายอยู่มาเตือโยนิสีทุกข์สน่าจงมันจุกให้พุทธคำสง่มอยู่ทุกขนี่ยคือโยนิสีทุกข์สน่าอะไรลึกได้ไม่ได้ก็ดีจกมันจุกใน่พุทธคำสงอยู่ทุกข์นี่ยคือเราก็เป็นโยนิสีมันกันนะมันก็แผ่แม่ตาเราไปอยู่ในตัวด้วยถ้ามายโยนิสีเราก็เป็นโยนิสีมันกันเท่ากับในตัวในตัวเราเองด้วยตัวเราเองด้วยตัวเราเองด้วยแล้วลึกได้หรือไม่ได้ก็ดี คอยจะเป็นสุกแมพุทธทางชมอยู่ทุกมาเทินเราก็เป็นโยนี่สีมันกันก็แผ่เมตตาทังเราอยู่เหมือนกันเมตตาตนอยู่ในตัวแล้วมันก็เป็นอาหางซุกิตโตฮมิอยู่ในตัวมันเป็นอ า, อาหารซุขิตโตฮมิอยู่ในตัวแล้วมันก็เป็นทะเพสะตาซุกซีตาเมื่อตตาการสะพารอกสตมิงคก็ต่างใไปจรสชาติอยู่ในตัวแล้ว ไม่มีเลนไม่มีไฟเนอ่าไม่มีเนไม่มแผลเมตาเลยไม่มีเล น, ไ, เนเลไม่มไถ้าขึ้นรถนเราชอบแล้วชอบแผลเมตาเลยก็ทางรถไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเออขึ้นรถขึ้นเรือข้ามหาสมุทรมดคืนลงเรือกันตังอำเภอกันตังประหาเกาะภูเก็ตมดคืนปะหาเกาะภูเก็ตมดคืนก็แผลเมตานี่เอง แล้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นอันตรายยัไงท่งนานพ่ะไปรถไปเรือก็เหมือนกันแผ่เมตตาหรือไม่เมตตาก็แผ่พุโทโธก็บวาระพุโธก็ก็ได้เหมือนกันถูกแล้วแต่การดีของใครจะชอบก็ให้ภาวนาไปใ น, ในใรถในเรือภาวนาไม่ค่อยเจะอะไรเนาะเมื ห, มหนึ่งครับรถอยู่ที่อุดอรสิบสองปีไม่ได้เจื่อมรถเลย อว่าไม่จำเป็นผมก็ไม่แซงเขาถ้าเราไปแซงเขาจะถูกไอ้ีเหล้ามันไม่ยอมครับให้เราขึ้ น, น, นไว้เงี้ยเแล้วคนอื่นมาก็เพีงเขาไงต้อรูคุ่ะนคือคนนี้ไม่ยจะชื่ออะไรีก็ไชื่อว่ามิงว่าผีมีริงหรือไม่ก็ันก็ผีมันก็มีสิในโลกนี้มีทุก อ, อันผีมีจริงอยู่ ในโลกนี้มีสุกอันมันสีมันไม่จริงหรือเราก็ไปถามเรียนลพบุรพาหาหมอนกันทานท่องแตกผมไม่เชื่อนะทางการมหาถ้ากินมากมันไม่ขี้มันก็ไอเจียนทางนั้นเราพูดอย่างนี้ลพบุรพาหาดุเราสินี่เออคนทิสตีมากมันก็ไม่เชื่อลนะเธอว่าอย่หงนกดุเราอีกลกพปูรพาในโลกนี้มันก็มีทุอย่ากทาบุปกรรมของฉับัะพูดอย่างนี้น ทีนี้คนปากเป็นงวงชาห์เราก็ไม่เชื่อเขาทีนี้เขาพาเราไปดูเราจึงเชื่อทีนี้งงออกคักแค่นี้แล้วก็สูุโขทัยเป็นมีชีวิตอยู่สามพันมือมือก็มี <c oughs> มือก็มีอยู่แต่แต่ปากของมันเป็นงวงชาห <c oughs> ยาวออกไปแต่ก่อนคมมันคงจะไปทรมานชาห์เขาไม่ทราบ <c oughs> ถ้าถ้ามึงอยากเห็นกูจะพาไปดูเพื่อนกูจะพาไปดู อยู่ที่กรมทหารอุรานใช่ไห้เราก็ทํางานอยู่กรมรถไฟออก็เลยไปกรมรถไฟทํางานทํางานเป็นกองช่างไม้กองช่างไม้เวลาเลิกงานแล้วก็ไปไปดูทีีน้เพื่อนพาไปดูถ้าเวลามึงไปดูแล้วมึงต้องมึงต้องซื้อยาสอยกงซ อ, องหนึ่งมึงจะหาอบายให้มันสูบบุหรล่ให้ดูมึงจะไปดูอย่างนี้บ้างไหมมึงเห็นอ้าวที่ จุดไปล้เอาให้เอาให้แล้วเขาตู่พูดถึงเราก็มองดูมันได้ถึงเราจะมองอยูโตงะอย่างนี้มันไม่ไม่ได้อยังเอาแค่นี้แหละเออจริงจริงจกรรมของศาลมันเป็นมากรรมในของศาสตร์ต้องเป็นทั้งในใต้โลกธาตนันผีอยู่ในภูเขานี่ยไม่มากเลบางทีมันก็ปรากฏเห็นเหมือนกันบางทีก็ไม่เห็นเนาะ อยู่ที่ไหนที่ไหนไมี ม, มดละผีอ่ะจวดปฏิโมกข์ไล่ผีก็ยังมีในคำพุทธการผีเข้าไปสู่ผีที่เข้าไปสู่นั่นเพราะพิสุออกนั้นไม่ได้พระสวัาวิ์เป็นพิสุผู้ตุโนเขานาอยู่แต่ก่อนเคยถือผีผที่มีผีก็มาเข้าใช่ไหมผีก็มาสิงใช่ไหมผีสิงพิสุมันมีในพระพุทธศาสนาอยู่เทวดาสิงก็มีอยู่มีอยู่ผีอ่ะ เป็ดผีมีอยู่เบตเตอร์วิสัยอสุรกายมีอยู่ไม่ออกพระโมคลาเห็นบ่อยเป็ดที่อยู่ในภูเขาจะกูนที่จะกูนพระโมคลาเนี่ยเห็นเนี่ยสืธรรมดาไม่เห็นกันเลยพระโมคลาเห็นเนียิาาเ บ, อยาา เ, บอยเออท่านยิ้มอะไรเออไปถึงว่ากุศลก็ิ้มโว้ยจันพวกคนนั้นโวยโวยเหนื่ยอะรพูดได้ควไม่เชื่อพอไปถึงพระบรมศาสดา แร่เทศกับผมเห็นมือยาวมือยาวอย่างนังโอโออยู่มันมีไหมพระบระมาศาสด์ก็เธอไปเห็นในภูเขาจิตะกูดมาเยวเนี่เธอมาถามเราทาไมเขาเป็นบุพกรรมอะไรเขาเป็นบุพกรรมที่มันมีซีเอยู่ มันจะจับนมเขาเทวัด้วยฮะตาตัวยาวเปรตด้วยนะก็เอยจะไปโจดจับนมเขาเทวทัตเนื้อในเปรตตัวหนึ่งมือยาวสามจุดสองโยดมือยาวสามจุดสองโยดมันเป็นวุปกรรมอะไรพราะว่เรามาศาสตร์นามันเข้าไปในวัดมันไปปิดมะม่วงของพระเจ้าประสงค์มันไม่ขออนุญาตด้วยนะแล้วก็เปรตตัวหนึ่งนี่ก็ไปอยู่ที่หัว เัินไปโรงเตีงตงรงเตีงอยู่มันเป็นรูปกรรมอะไรพระ อ, องค์มันไปนปลูกต้นไม้ในวัดมันไม่ขออนุญาตกับพระออกมาเป็ดตัวหนึ่งมีหลักฝังอยู่ที่หัวไวตงรงเตีงตงรงเตียงมันเป็นอะไรพระ อ, องค์มันไปถอนหลักดินแดนเขามันชอบเอาของเขาไ้ะที่อยู่ใกล้กันไปถอนหลักแดนมาแดนไร่ขอตายไปก็ไปตกนรกออกจากนรกเป็นเป็ด ที่ไม่รับความอยู่เรงัวเปตจะพวกหนึ่งเกินมากสองปากตัวเป็นหมาแต่เป uh. <Is S 1> mm ็นหมาสองปากมันมีพุปกรรมอะไรพระองค์ม oh, ันเป็นทนายมันกินทั้งเจอโจทก์ทั้งจําเลยมันตายไปมันเป็นเปตเป็นหมาสองปากมันมีบมโอ้นี่มากไปไหนี่ มาคนเดียวลูกผู้ช่วยทหารนกองขอชาระมีส่งเจ้าค่าเพราะลูกมาที่นีการน้ำทาข้าห้องน้าห้องชาทอย่างเหลือโรคเจส่ี่ขอะไรครัขอชระมี่งเจ้าค่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกถึงมาให้เขาไม่ให้เป็นถึงไม่ให้เขาไม่ให้เป็นมาแต่ลูกเคยแล้วป็นทีว่าไท่ลูกขอชำระมีส่งค่าเพราะลูกไมรู้ว่าไรแอบใช้ข้าที่เราเจอมา ไปยุขโ <Why? S 2> ้ับยลมมหรับปูหมดีใจมากที่สุดดีใจมากนร้ามอดว้เม่าเนะ พลโอกาสทบุญกับ์หลวงปู่ครับอ้โอกาสถ้าว่าถ้าเป็นพิงเนาะอดผมนแล้ววันที่ยี่สิบหกวันที่วันที่ยี่บหกวันที่ยี่สิบกคอมาแล้วออกก็สามในหม่ตอไ่ ซักวันก็แล้วกัน่จรบ้างบ้างสิมีคนกระเทียมน่าจังไงวะน เออถามชเคลีงยเลือกใครตังเสล้วพุ่มมาเ็นนี่บะเซนบ้านน้องงูไงบะมาเ็นกูมาเซนบอกเซนแล้วพุ่มมุตโตออกจากเซนล้วพุ่มมาเซนมามาโค่นท้องโค่นท้องอะไรก็มาหน้าพอกนะพอกมหานี่และเออเออประจปรจเอระจปจ บ่บ่ไปใช่มาใช่ใครไปเที่ยวเขาอมม้นไปกรุงเทพแล้วลูกเขากบเรไปไม่ไปเราไปกรุงเทพมาท่านพระเข้ากรุงเทพเขาบอกว่าพระไปห้าเงินไม่ไปกรอเดี๋ยวลงพูกับเี่ยงพระมหาลุงพูดมหาบ่ไประว่าเขาพัฒนาไปรึไปหอด่อเสถียรไปรอดหลง่อเรียมไปรึหล่อพุทธพุูธพารไปรึ ไปหลงพูมหาลวพูมหาแงแดรวูแข่งแกับนงพูมหาด้วกันบอมื้อหนึงยางมานหมอดหลองฐานเกือบมันร่มมันมันเป็นชาติแบบกันแค่คอดอดหลายโพดหี่งพุทธมหาเน่ะครับหลายโพดครับลวู่าะฉะน้น่นเนาะลกอาสนานี่้ากกันเอาใบปาวานา้ากแต่ก็ได้บริจาคอืมไมบริจาคก็ยังไหล่กันพอบ เพะต้องการเร่อ ว, า, วาเทพจฟังเรื่องนี้เหรอขดเก่งทั้งผนทิ้งฝนท่านเต็มบอลบูนลแห้วมันอร่อยมากสนินอกอรอยสเวลาพจนเฮ็ดพจนกระเฮ็ดย่างข้อใจได้ครหลวงพ่มาหาเวลาพจนเฮ็ดพจนกระเฮ็ดย่างข้ใจเขาเห็นเลยเขาลยปฏิบัติเรี่อ้พนเ้าเห็นเลยพาข้าวขิงอยู่กับท่านได้อดีวะหลวงพ่มาหาไม่คขคอยบอกเขาบอกคุณท่านเป็นทัซ้ำเล ถ้าเนี่เข้าเห็นเข้าเห็นแห้ข้าวนะั่นแหะข้าวเอินโดซีนเดือดในรัวภูมิ่นี่ย้อนคนนึงข่ามามาเป็นกระฟังผลเมื่อโรคคนหนึน่งเลือดพคนนั้นตาบอดบอดแล้วก็ลุ่งสมผืนเดียวเสือโบอมีเข่ามาผ่านข้าวมาในวัดว่าน้องผลมาอยู่ในโรกแล้วก็สแสวงหาอย่างนั้นอย่างนี้<ม>เพื่อจะแข่งกัน เขามาแข่งแกแข่งเก็บแข่งตายแข่งโรกแข่งโกรแข่งหลงกันแข่งกินแข่งขี้กันในโลกนนี้ทําไมยัง ล, ลักลาค้าพันกันเพราะมันไม่พอกินพอกี้พอลงขี้มาแยกขี้กันในโลกนนี้ถูกไหมถูกไหมถูกถ้าเห็นโทษในขี้ก็เบื่อขี้วก็จะเข้าสู่ข้าพานละ ไม่แย่งร่างกระดูกกันทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบเลียงเลดูรูปทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบดมกลิ่น ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีลิ้นพระสัตว์ทั้งหลายชอบลิ้มรสทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายพระสัตว์ทั้งหลายต้องการสิ่งที่กระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอบอุ่นเป็นต้นหรือสัมผัส ต, ต่างๆทำไมสัตว์จึงมีใจพระสัตว์ทั้งหลายชอบนึก ไม่อีม่มไม่เบื่อความนึกคิดเป็นเครื่องสัญจรของโลกเกิดขึ้นแล้วก็แปรปูนและเทียสลยับติดต่อกันอยู่ฮะระหว่างไม่ได้เราพูดขึ้นแต่ละคำละคำมันก็ล่วงไปแต่ละคำละคำเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจก็ล่วงไปแต่ละคำละคำนั่นคืออนิจจังอันรักยบิบ เมื่ออนันยึดจังอันละเอียดก็คือทุกอะไรอันละเอียดก็คืออนัตตาไม่ใช่ตรวจไม่ใช่ตัวตนอันละเอียดนั่นเองเนี่ยถ้าหากว่าโลกทั้งหลายมีเท่านี้แล้วเราจะไปสงสัยโลกทําไมภาพพจน์ของโลกก็มีจะเกิดขึ้นแล้วและแปลผนได้แตกสลายตอนนั้ น, จ ะ, น, นาาจะมีกี่ล้านล้านก็ตามจะมีกี่โลกไม้ก็าตามก็เกิดขึ้นแล้วแปลผนได้แตกสลายตอนนั้น ส, ส, да ส, สังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็จะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็จะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็จะดับในปัจจุบันนี่คืออันนีจังอันละเอียดนี่คือทุกขังอันละเอียดนี่คืออนัตตาอันละเอียดนี่คือไตรลักษณ์อันละเอียดมีความหมายเดียวกัน จะเป็นภ า, า ส, นสิตธิ์พรตสนอโสดสักเพียงไรกาตามถ้ามันมีอุบายเพื่อจะให้เบื่อสายคลายเมาในวัตฏสงสารแล้วสู้พาสิทอันดียวที่ทําให้สรุปสังเวชในวัตฏสงสารไม่ได้พระโรมัสซาาสอนอย่างนั้นจะเป็นจินตะกบีเทศเรื่องจริงให้เขื่อนเพื่อให้แพรตในเชิงการาบสนอโสดสักเพียงไรก็าตามไม่เป็นที่สรุปสังเวชในวัตฏสงสาร ก็ไม่เท่าภาสิทเดียวที่ทาให้สรุปทังเวทในวัฏสงสารที่ตนได้เคยหลงมาข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามผู้รู้ด้วยความไม่ติดอยู่ในผู้รู้ข้ามโลกด้วยความไม่ติดอยู่ในโลกพเพื่อเห็นโทษโลกนีอุปมาเหมือนหลุมฐานเพลิงเพลิงแก่เพลิงเจ็บเพลิงตาย ทั่วทั้งไตเรากระทะเราก็ทํ า, าทให้มันดังกคกิ๊บวันนี้เป็นวันเก่าไม่ใช่เป็นวันใหม่วันเก่าของเราที่ผ่านพ้นมานั่นเองชาตินี่ก็เป็นชาติเก่าไม่ใช่ชาติใหม่ของเราที่เคยมันได้เกิดมานนั่แล้วจรรอบนี้ก็ไม่ใช่เป็นรอบใหม่รอบเก่าที่เขาเคยมันเ ค, เคยวนอยู่นั่นเองนี่ก็มั่นกันนี่เดี๋ยวมันเดินป๊บปั๊๊บเดี๋นี่ก็มั่นกัน เรหายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนกันไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าที่เคยเกิดดับมาแล้วนั่นเองนะมันเกิดดับเร็วนะักจนจติดกันความรู้ของเราทั้งหลายที่พูดขึ้นที่นึกคิดแต่มันเกิดดับเร็วกว่านี้จนจติดกันผู้ไม่เห็นความเกิดดับจะมีอายุอยู่ร้อยปีก็ไม่เท่าผู้เห็นความเกิดดับมีชีวิตอยู่ขณะวินาทีเดียวเพราะจะเป็นเหตุให้เบื่อนหน่ายคลายหลงในวัฏสรรงสาร จะไม่ให้เพลินในวัฏสงสารเพลินในวัฏสงสารก็คือเพลินในรูปสานเพลินนั่นเองนัก็คือเพลินในกองทุกนเองนั่นนั่นเราเกิดมานี่รับสุขอะไรบ้างหนึ่งอะไรบ้าง้องอะไรบ้างสามอะไรบ้างไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีนั่นนั่นหนึ่งอะไรบ้าง้องอะไรบ้างสาอะไรบ้างที่มันสมศรุงเราไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีออกมาที่แรกกับคุนหนูที่นี่ออา พมามาก็เป็น่าวเป็นสาวมาเลื่อนตำแหน่งมาเลื่อนไปได้ไปก็เลื่อนตำแหน่งเขากองเสริมตะกอนนั่นนันนนนนนน่นนั่นั่นอันนี้แหละหน้าวสวัดิ์สังเกตเนี่ยคนแก่ก็มาจากคนหนุ่มคนสาวก็มาจากเด็กเด็กก็มาจากมาจากกลลละที่อยู่ในท้องเหมือน น้ำลายเหมือนน้ำมันยสดเดียวอยู่ในท่องมันดาอยู่มาเขาใหญ่โตมาใหญ่โตมาใหญ่โตมาก็สามเดือนสามเดือนก็เป็นเป็นไส้พาช่อนแลยหกเดือนก็เต็มบริบูรณ์เลยนั่งยองๆนั่งยองๆเอามือข้างข้างขันหน้าใส่สันหลังมารดาเป็นทุกข์มากน เดียวว่าชาทุกพอออกมาก็ทุกมากออกจากท่องของบรรดามาจากถาวรหนักถาวรเบาก็ทะลุร่วงกันเลยเหมือนดังเขาใส่ช้าเข้าในที่แคบดึงออกมามันเจ็บมันปวดมาพอตกลงที่สาด ท, ที่เสือ มันก็ร้องรองให้เพราะมันทุกข์มันใครเริดมายิบมีไหมไม่มีมีแต่ร้องไห้เพราะมันทุกข์มันเก็บมันปวดมันเรียกว่าชาสิที่ทุกขารเราผ่านมาหมดนีกผ่านมาเรื่อยๆเพราะว่าต้นมันเป็นทุกข์บางกลางมันต้องเป็นทุกข์บางปลายมันก็เป็นทุกข์เพราะมันออกมามันก็ร้องให้เลยไม่มีเห็นไม่มีใครหัวเราะสักคนนั่น มันจะได้มาผ่านสนามทุกเนี่ยชาติพิทุขาเห็นทุกเชื้อก่อนจริงจัลละอาในทุกถ้าไม่เห็นทุกก็เหยนเพลินก็ไม่จะเพลินเพลินในวัฏสงสารกับเพลินในกองทุกเพลินในรุ่งฐานเพลินเพื่อดับเพลินก็คือพระนิพพานพระนิพพานแปลว่าดับเพลินในวัฏสงสารดับแบบเย็นเย็นด้วยปัญญาอันชัดนี่คือตัวศีล นี่คือตัวสมาธินี่คือตัวปัญญาในปัจจุบันศีน ส, สมาธิปัญญาก็ต้องรู้จักความเกิดขึ้นแลแปรปวนให้เปรียบเสศยีน ส, าา ส, สมาธิปัญญาของพธธ ร, รนะพุทธศาสนาไม่ใช่สีนสมาธิปัญญาให้เป็นเ ป, นเ ป, นปรตเฝ้าโลกอยู่นี่สีนสมาธิปัญญาดึงคนเข้าสู่พระนิพพานนั่นนั่นนั่นนั่นให้ออกนี้จากกองทุกข์ ในโลกอันนี้ไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าของพวกเราที่เกิดมาแล้วนั่นเองช่อพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่งช่ชาติหนึ่งหนึ่งเราเก็บกระดูกของเราไว้ชาติแล้วเท่าหัวแม่มือชั่วกลับปหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขาหิมาลัยไม่ให้อันตรธานไปหน้าตาของเราชาติหนึ่งเราเก็บไว้สักยึดหนึ่งไม่ให้อันตรธาน ถึงกลับหนึ่งกลับบ้างกลับก็มีพวกเจ้าห้าโพงบ้างเดี๋ยวนี้กลับนี่มีห้าโพงถ้าไม่ให้อันตราทานไป น, นำตาเอาเสียพระชาตแล้วยันหยดแล้วหยดแลด้วหยดคนเดียวคนเดียวน่ะของใครของมันก็มากก่อมหาสมุทรสีมหาสมุทรเมื่อเป็นดังนี้เราจะไม่เคลียหลาบในการท่องเที่ยวในวัดตาทั้งสารดอกหรือดอกหรือกรอกหรือได้ควมามเดียวกันนะเอาไะ ตายกันไปแล้วก็บแบมือเปือยขึ้นมาแล้วก็กำมือต้องให้ตายไปแล้วก็บแบมือเลยเอาอะไรไปไม่ได้สามวันก็เปื่อยแล้วสามวันก็เป็นสีเขียวขึ้นแล้วสามวันพอถึงเจ็ดวันก็มีน้ําหยดออกน้าเหลืองไหลออกเลยแมลงวันเป็นกลุ่มละทําไมไม่เผาอนี่กินเหม็มนมากอ ในยังคูมีกาอยู่กายของเรานีเลยบุดทางปาตัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโรเกษามัทกาเบื้องต่ายแต่ ป, ปลายผมลงไปตะจะป ร, ะริยันตู<อ>ในหนังหุ้มอยู่โดยรอบปูโรนานักปการสอาสุกิโนจำไปด้วยของม่สะาบในประการาต่างๆอธิเอมัจยังกายี นี่อยู่ในกายนี้เจซาคือผมโลมาคือขนนัคขาคือเล็บดันตาคือฝันตะโจคือหนังที่หุ้มอยู่ด้วยรอบมับงสังคือเนื้อทัดหนังไปเป็นชิ้นๆพ่อกระดูกไว้เหมือนดังดินทาฝาอัธิคือกระดูกเป็นท่อนข า, ขาวๆเหมือนสังที่ยังไม่ได้ขัดอธิมินชังเยื่อในกระดูกเหมือนยอดหวายที่เอา ยอดไม้อ่อนๆที่ทไปแค่ว้ในกระบอกม้าเป็นขั่วอันใกล้กระมังม่วงสองผลที่มีขั่วอันเดียวอยู่ใต้อกหัวใจอยู่ท่ามกลางอกตับอยู่ใต้หัวใจเป็นแผ่นเนื้อสองแผ่นมีสีดำค่้ำถ้าผู้มีปัญญามากตับก็เป็นสองแฉกบ้างสองแขกบ้างปอดปกคลุมมากหัวใจตาปอดอยู่ ไตที่เขาผ่าไตสักข้า ง, งปอดปกุมม้ามหัวใจตาปอดวักปกุมม้ามอะไรอ่ะปอดหัวใจฉีดโลหิตอยู่ไส้ใหญปอดไส้ใหญ่ไปข้างหนึ่งอยู่พอหอยไตข้างหนึ่งอยู่ถาวรนับทบไปทบมามียี่สิบเอ็ดขดทบไปทบมามีไส้เล็กรส้เหนียวไส้ใหญ่ไวอาหารใหม่ที่กืนลงไปในท้อง อาหารเก่ากัที่ปะปน ล, ลงไปที่ถ่ายไม่หวดนะมีกลินและสีเป็นยังไงนี่สมมติเราเป็นธาตุดินเปานท้องแข็งธาตุน้ำอย่างนี้น้ำดีเป็นฟักเกิใต้ตับเท่าหัวไม่เท่านิ้ว ม, มือกระลัง น, น้ำสเสลขังอยู่เป็นมกมวมกที่คอหอย เวลากลืนอาหารลงมาก็มาเยดน้ำเสลดถ้าไม่ม right hmm. ีน้ําเส็ลพวกเราเขาพูดกันไม่ได้เมืนคุ้งออกเลยเวลาอาหารจบลงไปปิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเขาจบลงไปกินน้ำของมันกลางน้ำคืนลงไปอย่างนี้เป็นคํานึงคาลงไปคืนก็ึกคึลงไปเนี่ยปิดป๊บปั๊บปัปั๊บไปข้าว็เหมือนกันอาหารอื่นก็กินลงไปปิดน้าเสลปั๊ปั๊บเป็นคำมันเป็นมงมวกไปเหมือนเรากวาดจอก เมื่อเราเอามือขึ้นก็ลักมาหนองนำหน้องอยู่ตามเียระบาดแผลเลือดตั้งทัวม้ามหัวใจตาปอดไหลซึมภาพลงไปในหัวมา้ม า, ามแล้วหัวใจตาปอดทียระเล็กลน้อยเ ล, ยเล่นไห้แต่ของแข็งเล็บฟันและกระดูกเสียซึ่งเป็นของแข็งเหลือนนั้นเลือดจาง ไหลอยู่ซึมซาบทั้งสะกปรกกายที่เป็นก้อนก็ตั้งท่วมากหัวใจกระปอดอยู่ไหลซึมซาบลงไปเทเล็กน้อยนหน้ําเนื่อมันออกจากขุมขม่ขุ่นข้น ข, ข, ของเราในเวลาแล้วมันร้อนจัดน้ํามันค้นนี้สปตามจ ง, งอยป่าบากของเราน้ําลายออกจากใต้ลิ้นแล้วก็ไหลมาเนี่ยก็พุ่งแก้มทั้งสองน้ํามูก ไหลออกมาจากกระมอมันสมองมาจากมาปลายสมองน้ำไข่ข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ำมูดเกิดออกกากอาหารใหม่ที่อยู่ของปัชวะที่เรียกว่าขั้วปัสว ะ, วะอะไรมันสวยมันงามในสกนรกกายจึงมากำหนัดร่างกายเสียหนักหนานั่นก็ผม นั่นก็ผมคำว่านั่นก็ผมก็จีบก็จับอยู่ในที่ผมนั่นก็ขนจิบก็ต้องจัดอยู่ในที่ขนขนของของของของใครก็ามีขนลักแม่ขนคางขนทวารหนักขนทวารเบาขนตามตัวขนแข้งขนขานั่นก็ผมนั่นกับขนนั่นก็เล็บที่อยู่ปลายมือปลายเท้ามีลักษณะเหมือนเกล็ดปลาแต่ก็ฟันอยู่ตามน้าเลือดน้าหนองเท่านั้นนั่นก็ฟันนี่ก็ฟัน ข้างบนข้างล่างเต็มปากมีทิศสีที่แต่ว่าหักไปแล้วสามที่ข้างล่างยังอยู่หมดเรามาเสีอยอางนี้เรมาดมอยู่มันมันก็ถูกกินไม่ดีเหมือนกันะแล้วก็ล่างดีสักอย่างนี้นก็ตามนั่นก็หนังห้ม อ, อยู่ทั่วรัางกายนั่นก็เนื้อทัดหนังเข้าไปเป็นทิ้นๆพอกกระดูกไว้ดังดินทาฝานั่นก็เอ็นลึงรัดผูกพันกระดูกว่ายเหมือนดังเทวัน เหมือนยงเกลือที่มัดฟืนหรือเชือกที่มัดฟืนกระดูกเลื่อดใ้กระโยกกรดูกทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่ธาตุดินน้ําไฟลมเรียกว่าดินน้ําเรียกว่าดินกับธาตุน้ำเนี่ยที่พูดมาไฟที่ยังกายให้อุ่นนั่เองไฟที่ยังกายให้สุดโฉมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผา อ, อาหารทางยอดนี่เรียกว่าธาตุไฟดินน้าไฟนี่สามธาตุนี้ดินน้ําไฟลมนี่ ลมพัดขึ้นเบ้างบนลมหายลมเลอลมอ้วกเขาอย่างนี้ลมอ้วกลมหายจะเข้าลมหายจะออกลมพัดลงเบื้องต่ําเวลาถ่ายวิชาถ่ายผสมดันลมลงหรือพายลมลมพัดลงเบื้องต่ำพายลมใช้จะว่าต้น ลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมให้ไปตามตัวตามเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกความกําหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมมาชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกธาตุกรรมฐานนะ่พอเมศาสนาสอนเนี่ยพวกเราไม่พิจารณาอันนี้สิราคะมันก็เทวีขึ้นะราคามันจะเบาลงครเพราะเราพริจารณาอันนี้ถ้าเราไม่พิจารณาอันนี้มัน ไปกันใหญ่ละธาตุดินผมขนแล้วฟันหนังเกระดูกเนี่ยนกระดูกม้ำหัวใจตาพังเปิดใจปอดใจใหญ่ใ้น้อยอาหารใหม่อาหกอมาไว้ดีนนี่กองท่านอยู่าน้ำดีเสด็จน้องเรื่องเงามันค้นน้ำตาไปมานำลายน้ำมูกน้ำไข้คอน้ำมูกเอามาไว้ีซะนี่ดินน้าไฟไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้สุดลมไฟที่ยังกายให้โคนกระายไฟที่เผอาหารให้ย่อยออมาไว้นีซะลมพัดขึ้นบงบนลมงลมส่ำลมในช่องลมใน่อลมพัดไปลำรลมพัเข้าลมพัออกออกมาไว้ดีซะ นี่ก็ดินนี่ก็านา้ำนี่ก็ไฟนี่ก็ลมตัวของเราอยู่ที่ไหนนี่นั่นไม่มีที่เราอยากออกแล้วนะตัวของเราไม่มี น, นี่นะถ้าใครพีชณนะอันนี้แหละมันไม่หลงหนังละเนี่ยพูดที่แรนไปกับผู้บ่าวก็ดีพูดจะไปชอบผู้สาวก็ดีก็พราไม่พีชนะาธาตุอันนี้พีชนะธาตุ น, นี้ลงสู่ตระกู ล, ลนะมันก็ไม่ไม่หลงแล้วมันก็เห็นเป็นแต่สภาวะาตมดเนี่ยเห็นเป็นแต่สภาวธาตุดนินน้าไฟลมมดเนี่ยอ้ ไอ้สวยๆมันก็ไม่ขี่คอละสิเนี่ถ้าชอบถ้าชอบผู้ชายคนไหนสวยๆเอวรักดังจะโงกโด่งๆกันก็บริกรรมภาวนาว่าผู้บ่าวขี่เต็มท่องผู้บ่าวขี่เต็มท่องบริกรรมภาวนาอย่างนี้มันก็หายหรอกนี่นี่คนผู้สาวคนไหนเสวยๆก็บอกว่าผู้สาวขี่เต็มท่องผู้สาวขี่เต็มท่องภาวนาเท่านั้นมันก็หายหรอก พวกเราคี sabes, ้โง่ไม่ภาวนาให้กิเลสมันขึ้นงอยบาอืช่างม้ามันงอยบาเรางอยบาช่างม้าเราก็มีที่ลงกิเลงงอยคอเราไม่มีที่ลงนั่นผู้บ่าวขี้จำท่องผู้สาวขี้จำท่องหลวงปู่เขาขี้จำท่องหลวงลูกหลานเ้าขี้จำท่องอย่างนี้ความรักมันจะมาจากประตูไหนความความหลงว่าร่างกายสังขารมันสวยมันงามมันจะมาจากประตูไหน มันก็จ ม, มาเนี่ยนางหนึ่งเป็นนางพิเศีนางพิเศีคนสวยที่นี่เป็นนางเป็นพระรหันารแล้วเอ้ยอยากได้ลูกตาของนางบ้างคนไปพูดล่อเล่นพวกคนนง่โง่เออคุณไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรมาพูดหลอข้าพระเจ้าเล่นเนอข้าพระเจ้าไม่ใช่พุทธชนคนหนาะเดี๋ยวเธอจะเป็นบาป เป็นแบบว่าตามก็ให้ลูกตาเถิดนะก็เลยควักลูกตาให้นี่มันมีแต่เลือดแต่เนื้อเอาซักชายคนนั้นก็เลยไม่เอาอสวยไหมเราเห็นแต่ตาควักลูกตาได้ออกเราแบบเห็นแต่ตาสวยไหมเอาไหมให้ตงังขายให้ตางเดืงเอาไหมให้เฉยๆเข้าไม่ออกคนนั้นให้เฉยๆเขาไม่ออกอยู่มาอยู่มาอำนาจของนางตาก็เลยดี ดีข้าวมันเก่าพ่านางเป็นข้นาวนี่ะก็ชายคนหนึ่งเหมือนกันลนะ่ะไปเห็นนางซีเทมาพาไปสิสุองหนังไปหาไปเห็นนางซีเทมานางซีเทมาเป็นนางโสเป็นสวยจิงเอวนั้นรัดจมูกหลงหลงบุกไลายายนางซีเทมาเป็นคนมีศรัทธา จะมาข อ, อนิมนพระไปบินธบัตบ้านดนฉันวันละอ ง, องจะมาขอพระไปนิมนบินธบาตบ้านฉันวัรละองค์พระเจ้าข้ามาขอพระองค์พระองค์เขาจัดให้ไปวันลองค์ละองค์ใครไปก็บอกว่านางชื่อมาสวยมากนางซีทีมาสวยมาก น, าาากนี่พระองค์นั่นก็อยากเห็นพอจะถึงเวละของตนพอถึงเวละของตนก็ไปบินธบัตบี๋ไง แลเป็นธ บ, บาตเห็นหนางซีดามามาใส่บาทเออนางซีมาป่วยถึงขนาดนี้กูยังสวยอยู่ตายกูไว้ขนานี้พอกลับบ้านแล้วก็เลยไม่ชั้นอาหารเลยเก็บรังอยู่มาอยู่มานางซีดมาก็ตายพระพระมศ า, ษาสตรดาสั่งเขาบอกว่าเขาให้เอานางซีดามาไว้ในป่าชาอย่าเพิ่งเผาเผาเนอเพราะอาตมาไม่เหตุอาตมาก็ขาจะขว้างให้สดพนางซีดมาได้เก็บรันพระองค์เจ้าก็บอกว่า เธอจะไปดูนางซีจะมาไหมไปค่อยงลุกขึ้นมาไม่กินข้าวเจ็ดวันเลยแบบกำลังเปือ่อยกําลังเน่าเหม็นเลยเหม็นพระบรมศาสดาเขาพายืนอยู่นั่นพายืนอยู่นั่นเออที่หนละนางซีมาสวยๆเธอจะเอาไหมพายืนภาวนาอยู่นั้นจนคำเร็ดทศดาวันพาขับเข้าสู่วัดจรงนันน เห็นเป็นแต่สักว่าเห็นรู้เป็นแต่สักว่ารู้แล้วก็มาเรื่องหรอกมันไม่หมดเรื่องอยู่นีะมันก็ต่อสิพระหัตถ์ท่านพ่นไปแล้วท่านเบื่อหน่ายความหลงของท่านที่ไปหลงตาท่านเบื่อหน่ายความหลงของตนที่ไปหลงหูท่านเบื่อหน่ายความหลงของตนที่ไปหลงจมูกท่านเบื่อหน่ายของตนความหลงของตนที่ไปหลงลิ้นท่านเบื่อหน่ายความหลงของตนที่เป็นหลงตายท่านเบื่อหน่ายความหลงของตนที่ไปหลงใจที่ยึดถือใจเป็นตนตนเป็นใจ ที่ยึดถือว่าตาเป็นตนตนเป็นตาที่ยึดถือว่าหูเป็นตนตนเป็นหูที่ยึดถือว่าจมูกเป็นตนตนเป็นจมูกที่นัตยึดถือว่าลิ้นเป็นตนตนเป็นลิ้นที่ยึดถือว่ากายเป็นตนตนเป็นกายที่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจท่านก็พ้นไปซักที่นี่ทาไมยึดถือพ้นจากความหลงของตนไปซักจะพ้นจากความหลงของตนได้ก็ด้วยพระปัญญาจะพ้นจากความหลงของตนในเพื่องบินไม่มีดวยด้วยจรวดก็ไม่มีนะ สติป้องกันความอยากความอยากจะละได้เพราะปัญญาแลราะอรรมสาตยานะพระพัฒนงังธรรมะนาังชินาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ทําเป็นทานให้ทําเป็นทานชนะทานทั้งพวงเราได้บุญทุกวันทุกวันทุกวันถึงแม้ว่าเราไม่ได้อะไรก็ตามเราได้บุญทุกวันทุกวันเพราะเราเทศแต่ธรรมะใครจะเอาหรือไม่เอาเราก็ได้บุญแล้วเพราะเราให้พระพัฒนงังธรรมะนาังชินาติ ให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ทําเป็นทานให้ทําเป็นทานเทราทานทั้งปวงเป็นห่วงวุฒธธิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบทำไม่ได้หวังว่าจะเป็นห่วงเพื่อทาให้ทำนาให้พระพรมาศาสนาเป็นห่วงพระลาหุนเกรงจะมุนเป็นทางโลกก็เลยเอาพระลาหุนมาบวชเอาละน้าที่นี้ถึงเพ่ถึงถิ ง, ถ ง, ถ ง, ถงอ่ะยะท้าวาดียวาับพระลาบปฏิบูินเป็นสารังเอวมีวยตูดิมังเป็นสารังปะปะติ พิธีต่งพิธางทุ่ม ท, ท, um, ท iento, างกิโลเมตรแเนือเสืุกนภ์ตัวเร้นตสัปปะจ ур, ันโทนารโสยะถามณีโหตูยะตูยะานภ์ตัวโยวาชนเดชะตุโคนภ์ตัโยตุโคเรนัสนภตมาเทโสตตุนจารุฤทธิ์ศีลคาโยโกอภิวาสนาศีฤทานิจังลุทาปชาโยจัตตรสมาวสารูอาโยวเมสุขังภะหลัง ก็เกล็ดออกให้เช้าคู่เช้าคาวก็เกลดเราให้เช้าคู่ เ, เช้าคาวอาบน้ำให้เดี๋ยวถ้านานอาบออแล้วก็สกปรกอีกละใจนั้นมันต้องเอาธรรมะฟอกร่างกายต้องเอาหน้าใจต้องเอาธรรมะฟอก อืมดีมก่กอืนี่เกินไปเแลล์เลยอ่เกินไปเชล์ก็มาเชลเกินไปเแล้วแล้วก็ถือว่ามันเราไม่ไมเสียรประโยชน์ถือว่าได้เวลาคุ้มค่านั่นแหละมันจะไปผูกอเล็กนะ นั่งยังฮะฮะว่าไงก่อนเอาเหรียญให้แล้วเมื่อกี้เอาซักนั่นแหละเหรียญนั่นแหะเหรียญอ่ะถ้าขายให้ดีๆพูดกับเขาให้ดีๆแพล้วะนั่นแหละวิชาน้ํามื่ที่นั้นกินซักคุณเอ๋ยมาซื้อของให้ด้วยเนี่ยคาถามหาเสน่ห์พูดให้แพลเราะ นี่ฉันเป็นโชคมากทุกวันนี่มาซื้อของให้ด้วยให้เราไปซื้ออาหารด้วยว่าอย่างนั้นอย่าไปแสดงตนเป็นคนร่นําคนรวยบอกว่าเออมาซื้อของให้เราสตางว่าทุกจังทีเนี่เป็นนี่เป็นศิลอยู่พูดอย่างนั้นอยวาไพูดทำภาพเป็นคนรวยเขาก็ซื้อหรอกแต่ระวังอ่ะคล้ายถ้าถ้าไปคล้ายทองนะเมตตาพูดให้เขาดีนี่นี่ใครจะ จะได้เลขก็เอาเียอ่ะใครตาดีอ่านให้หมูฟังดูหรใครตาดีเอา้าใครตาดีเอา้อาอา่านฟังเงียบนี่ ความบปีกเหยียบย่ำทำลายทัศนคาิและมีปฏิปทาของอำนาจก็มีความหมายอันเดียวกันมาแรงการเอาอบายยมุขมาพุ่งเข้ามองเมาในทัศนคติกับาาา ก, การสร้างมหาวินทีนฐานอารมณก็มีความหมายอันเดียวกันอบายมุขทุกประเทศนับโลกาวีณา ก็มีความหมายอันเดียวกันอบายมุขกประเภทตันกทีิบาทตะวินบาทองค์ิบาทนที่ก็มีความหมายอันเดียวกันอืมส่งเสมอบายมุขัส่งเสให้คนปีนปนเดียวให้ัส่งเสริมให้คนเดียว ขอบนอกทุกศาสนต้องมีควหมายอันเดียวกันผู้มองไม่เห็นโทษในอบายยุมจะเป็นผู้ที่ในขระผมจะย่อเก็บไปไม่ได้นัดเก็บว่าเก็บไหมฟ้ขาวฟ้าฟ้าขา ว, าาขาวดาวสว่างไม่มีเมฆหมองแต่มองไม่เห็นดาวจะเห็นพระจันทร์จรอาทิตย์ได้อย่างไร ผู้ไม่ถึงใจสราระก็อย่าก็าอย่างนั้นก็อย่างนั้นอ่านวิจารณ์บางท่านแล้วนิโกรบางาท่านบางบางท่านอ่านแล้วหรือฟังแล้วออบางท่านอ่านแล้วนิโกรจงเอาโกรดแจบกบไปขายให้พนิพในโลกนี้มันเต็มแล้วขายไม่ออกพนิพา จากสิ่เห่านี้ไปแล้วไม่ควรเอามาดูเลยไม่ควรเอามากาวตัว อ, อไม่ควรเอามามาไม่ควรเอามาดูเลยหล ว, ว, ว, ว, ว่อตาดีาดราาาเรียนว่าร่น่งามียาได้ดีเรยนในก็สปอยท์เขาจะมาควรเรยให้ออไป นกปูอายุแปดทีส์ะแต่พวกเด็กผมก็ถือได้เรียกที่บ่ายยังคิมากออกแต่ลูกปูตั้งออหม้อแปดทีส์เลยนปูก็ลงลงไปทางข้างล่างลงไปข้างล่างแต่ไปเป็นท่าบ่ายข้างล่างลงไปเองได้อยู่แต่ขึ้นมาลูกลูกห ล, ก ล, กลานเขาหามเนะขึ้นมา <laughs> <laughs> เพราะว่าโรงพยาบาลเขาไม่ให้เปีนขึ้นมาเพราะมันขัดต่อครับ เขาต่อขับโรคหัวใจแต่ละปีนขึ้นมาก็ได้อยู่แล้วพักสองข้างมันก็ถึงแต่องค์พยาบาลเขามาให้ปีนลูกยังมีหลายองค์อยู่นะนี่สี่สิบกว่าลูย <c oughs> <c oughs> ยังมีหลายองค์จำพมรษาเกือบเกือบถึงเกือบถึงหกสิบนะห้าที่เก็ยรถึงจำพรรษาจะไปผูกตนะัเลขเน้อมันไม่ถูกเนะื้อ พูกกันธรรมดาทีนี้พวกลูกร้านอ่านไราจะเอาไหมเอานะเลี้ยปวดแล้ดาได้ไปเอาเอ้าเอ า, เอ า, เ, อาเอาไปสอนจับของสอนจับของเดี๋เยวๆพูดภาษาภาษาอีสานทีลูกร้านเรียนจะเลขกร้าน่บัตริตตายแต่ไม่งั้นซสือไฟพระได้ใ้มันเหมดบัตจิบหายเหมืออ่ะ ดูะลูกหลานข้าไปเมาก่อนจะตาย่ไม่ิดไเลยถวายพระมันชิบหายหมดนะตุ้มหูมันก็หมดอยู่ที่แขนมันก็หมดไรนามันก็หมดเนี่ยทีนี้นี่สิมันมาจากอะไรมันก็มาจากเมันเองลูกเอ๋ย้านเอ๋ยถูกไหมถูก ก็ได้งานมาแล้ว ไ, ไม่พาไปส่งไม่ไม่ไมรีบไปส่งวดเขาหนะ่ะอยเรียบมันก็ลึกลงไปลึกลงไปเกาหัวนนะั่งนั่งนั่นไฟไม้บ้านไฟไม้บ้านที่ดินมันยังอยู่นี่ไฟไม่เล็กไม่ยังที่ดินก็ไม่ยังอะไรก็ไม่ยัง <c oughs> ตุ้มหูตุมหาคุณทนคุณเทนไม่มยังละ <c oughs> สายสอยสายตาอะไรไม่ยังละไปเอาไปเกิดกัน ถ้าเหลือก็เอามาไปเอาไปเป็นมงคลเนียตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างอันนีครับสมชมายสมหมายสมหาสมหายเขาไม่เล่นเลขเขามาหาหลวงปู่ <ไง S 1> เยอะนี่เขามี <ไง S 1> เดยอะนี่ไไนะเยอะนี่เขามีโรงโรงสีข้าวสองโรงเดยอะนี้นนเขางดเดินสบายนะพุกสามสี่เตี๋ท่านนั้นเขาได้ได้โรงสีข้าวสองโรง มาเออดีดีดีอืมอออืมอันนี้ให้มันแพร่ร้ายป่าให้มันแพร่ไปร้ายมา คนมันคิปหายใจคว่ำเพราะอันนี้ะประเทศของเรามันจะตกประเทศน อ, อืนน่นก็เพราะอันนี้แหละต้นใหญ่ใช่ไหเต้นใหญ่รับต้นใหญ่ตนใหของเราต้นใหญ่หน่อยครั อันเดียวกันนอันเดียวกันพิมพ์คนละข้างเฉยๆหรอกอันเหลืองกับอันดำดำนะกับกับอันต้นไม้น่ะมันเป็นเนื้อเรื่องอันเดียวกันพิมพ์คนละข้างเฉยๆมันเป็นปกคนละอันเนื้อเรื่องอันเดียวกันละที่สุดเพิ่งทำข่าวว่าข้อพิการนี่ พิสูผู้เป็นธรรมกเถิอตั้องขยังอย่างนี้ในตนเราหวาังอุษณภัณบุญกับลูกหลานด้วยเพราะลูกหลานน้นไปเจ็เล ек, ีเก็บผ้าที่บัตรทิเบอร์ผู้จะรักษ า, า, นะาพระพุทธศาสนาะก็คือลูกหลานนั้นเอง <_ S 1> ลวงปู่จะตายเอาไว้เดี๋ยวไม่วันไหนก็ไม่ทราบที่จะเอาเลขเอาผ้าไ ป, ไปรักษารพระพุทธศาสนาะไมไปกันใหญ่ละเช็ดหลาดยัไม่ช่เช็ดหลาดนะ กันแ้วันาวันวันี่ถึงรวมตักวันอ่ป็้า้ออเอเอาแบบนี้อแแบบ้าปารงนี่เาป็น้าปลากเอาแบบป่าเนี่ย นนัดูละคมก็ดูคนดูคนก็ดูละคนดูโรกก็ดูทุกดูทุกก็ดูโรกฟังข่าวโรกก็คือฟังข่าวทุกฟังข่าวทุกก็คือฟังข่าวโรกอันเดียวกันหรือว่าพี่แกหน้าทุกข์เป็นอะไรก็ว่าได้เมื่อไหรเห็นสังขารน่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น น, นาฏตาเมื่อนั้นยอดหน่ายในทุกนั่นแหละทางแห่งวิสุทธิ สัพเพสังฆาราณิจารสัพเพสังฆาราทุกขาสัเพธมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัจติอภิษฐะนิพพินทิฏฐติทุเกเอสังฆโวิสุตติยาเมื่อได้พิจารณาเห็นคำทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นยอดนายในทุกนั้นแหละทางแห่งวิสุทธินั้นแหละทางแ ห, งแห่งศีลวิสุทธินั่นแหละทางแห่งสมาธิวิสุทธินั้นแหละทางปัญญาแห่งวิสุทธิว่า ก, กลมเกลื่อนกันซะแน่หัน ข้นติแขงดีแขงสัวแขงหลับแขงงดอยู่ในหลกเข้าหัวยันเข้าหยานจะข้นสิดแขงไปพันย่พันคนติแขงหลับแขงงดอยู่ในวัดในในวัดพระสงฆ์ไงเออนี่นี่มามานับดูตังดูเข้าวขอดินนุ่นดินกินเน่ข้าน่านุ่นเน่าเพิ่มธาตุเน่าหายใจเข้าออกก็เพิ่มธาตุลมเอาความอบอุ่นก็เพิ่มธาตุไฟ โรคโกรธหลงก็เพิ่มท่านกิเลสก็เพิ่มกิเลสถ้าไม่มีโรคไม่โกรธไม่หลงเขาไม่ไม่เพิ่มถ้าเป็นแต่สักวันดูเป็นแต่สักวันเห็นมันก็ไม่เพิ่มถ้าซื้อสำคัญต้อเป็นตัวเป็นตัวเราเป็น เ, าเนขาต้องเพิ่มถ้าเรื่อมใช้แในพุทธธรรมมาสองเป็นร่างต้นละ่ะทืนอื่น ม, มันเป็นไปเอง嘛เน็ตะท่นั้นจึงให้ถึงไตรสนาคม ถประเทศที่ไหนที่ไหก็ให้ถึงใจศสนาคมก่อนให้เริ่มไสพระพุทธ ศ, ศาสนาก่อนเช่นอา า, า, อาดาบทุตกระดาบทรามบทยังไม่เริ่มใสพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นจึงเป็นโลกิวภาวนาจนจนถึงเนี ว, ว่าชัญญานาสัญญาณะชนะเนี่ยยังเป็นชุก็จะยังเป็นทุกจิตปัญโลนไม่ได้เพราะยังไม่ศึกษาศาสนพุทธ อัญนญนสัตวเทศไม่ถือศาสดาอื่นฉะจารพิษานานิเอาพระโพคาตงุงมีทําสีสังเขรสตางคนต่า ง, งเอเตนะสเจนสุวัตถิโมตุพระโสดาบันไม่ยอมถือศาสดาอื่นฉะาจารพิษานานีิฉะก็แปลว่าหกพิษานานคืออภิฐานโทษอย่างหนักหกมาตัวฆ่าฆ่ามานดาปุกขวฆ่าฆ่าเบิดาอรหัตฆะตะฆ่าฆ่าพระรหัน โลหิตบาตรทำลายพระพุทธเจ้าถึงยังเปโลเฮย์ทห่หอกันไปทั้งอาเพศยังสองให้แตกจากกันอันยัดซัดตุ้เทพถือศาสตาอื่นไม่มีในพระสวดาบัณพวกเราได้เคยได้ยินตั้งแต่อันนั้นตัตยกรรมห้าอันันจัตยกรรมหกยังมีอยู่ในธรรมหมวดหกของนักธรทำทูและนักทำเอกก็ใช่อยู่ด้วยกันเหมือนกันสมเน็จ พระมาหาสมณะเจ้าท่านเอามาแล้วจะน่าอาว้คัดออกมาจากพระสูตรตันตปิฎกมาไว้ในนักธรรมทูรักธรรมอีก mm hmm. อภิฐานบางท่านไม่เข้าใจในสังฆเพศสังฆเพศมหาเนกายจะทําสังฆเพศธรรมยุทธก็ไม่ได้ธรรมยุทธกจัดทาสังฆเพศมหาเนกายก็ไม่ได้ภิกษุ สุนีอุบาสกอุบาสิกาจะทําสังฆเพศก็ไม่ได้จะทําได้แต่เพียงสังฆราชีความลาลานผู้ทําสังฆเพศได้ก็อยู่สมานสังวาสอันเดียวกันไม่ใช่คนสังวาสจึงทําสังฆเพศให้แตกออกเป็นทางละสององนับแต่สี่องขึ้นไปเป็นทางละสององพยายามทําทําสังฆเพศส่วนคราวาสทําสังฆเพศไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าทําให้สง่าลาานเฉยๆเยกว่าสังฆราชี บางท่านยังไม่เข้าใจในสังฆเพศทีนี้พระสวดารันจะล่วงทําไมล่วงสังฆเพศไหมล่วงเพราะมีชิ้นท่าบริบูรณ์แล้วทีนี้ยิงจะไปทำมาตัวฆ่าปีตครหัตคาโรคหิตตวบาททําไม่ได้เพราะแต่ยูงตัวเดียวเขาก็ไม่กล้าตบคาดติดตีแล้วนะนั่งนั่นก็พูดไปเพื่อให้เราเข้าใจชัดเฉยๆหรอกอนันถ้าเรา ถ้าเราไม่มีชิ้นห้าบอลลีบูลคาราวาสไม่มีชิ้นห้าบอลลีบูลตาผักขาวไม่มีชิ้นห้าบอลลีบูลสมณีนไม่มีชิ้นสิบบรลลีบูลพระภิกษุสมณีจะไม่พยายามให้ชิ้นสองรยยสิบเจ็ดบอลบูลจะให้ผีตัวไหนมาพยายามนั่นถ้าอวบาศอวบศีกาพิสุทธิ์สณีไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะให้ผีตัวไหนมาเลื่อมใสนั่น ถ้าอบาสก์อบาสิกาพิเศุสามเณรไม่ปลุกใจกันจะให้ผีตัวไหนมาปลุกนะใช้ใครมาส่งเสริมนะด้านขราวาสพระบรมศาสาตราก็อสอนในระหว่างพวกฆราวาสกับบรรพชิตท่านก้อสอนด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสำหรับโยมเนื้อเนี่นยกับพระเนื้อ ด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโมกกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าไปบ้านเรือนห้าด้วยให้อามิตทานนั่หน้าที่ของพวกฆรวาสหน้าที่ของพระหนึ่งห้ามไม่กระทาความชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอัน ง, งามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหกบอกทางสวรรค์ให้หน้าที่ของพรุสามมิมุนติพระพุทธศาสนาบอกหมดแล้วสิ่งไหนที่พระบรมศาสดายังไม่สั่งสอนไม่มีเลยต่ห้องถ่ายท่านก็บอกชําระตูดท่านก็บอกอย่าเอาไม่คมมากเนอพระบรมศาสดายอย่าให้มันสั้นเกินไปไม่ให้มันยาว สี่นิ้วให้ยาวแปดสี่นิ้วไปหาแปดนิ้วอย่าให้ยาวเกินไปมันขวางอย่าให้สั้นเกินไปมันจะไม่พ้นข้อมืออย่าทำให้ไม้มันแข็งงักให้มันกลมมากถ้าจะเอากระดาษเช็ด ถ, ว า, นนดถว า, าวรหนักถาวรเบาก็อยากให้มีตัวหนังสือหลวงปู่มันม่นมาดีมีตัวหนังสือเนอะ้ะ